ถึงแล้วเริ่มจะหนาวไปแล้ววันนี้หนาวนอกไปเป็นไรอย่าให้หนาวใจกันแล้วกันหนาวนอกผ่านพ้นฤดูไปแล้วมันก็แล้วไปแต่หนาวในหนาวใจนี่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 มันจะได้เป็นเครื่องอบอุ่นใจเพราะใจนี้ถ้าปราดจากศีลมันก็ว่าเวไปไม่อบอุ่นหรือิเช่นั้นก็ร้อนเกินไปบากรรมมันทำให้จิตใจเดือดร้อน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 รู้จักสอนใจของตัวเองให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นใจมันจะชุรู้มันจะฉลาดขึ้นได้กัเพราะรู้จักสอนตัวเองนี่แหละเส้นอย่าว่ากิเลสอันใดที่เรายังระมันไม่ได้ กำหนดกิเลสเรื่องนั้นมาแล้วก็มาพิจารณาให้เห็นโทษของมันแล้วก็สอนใจตัวเองให้ละมันพอเมื่อมันมีโทษเราไม่ทราบจิตจะเลี้ยงมันได้ทำไมคืนเลี้ยงกิเลสไว้มัน ก, ก่อแต่ทุกข์ให้อยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยอน อุปมาเหมือนยังคนเลี้ยงงูพิษไว้ในเรือนอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าจะให้มันกินดีอยู่ดีสักเท่าใดแต่มันก็หาหายพยศอันร้ายไม่ถ้ามันได้โอกาสเมื่อใดมันก็กัดเจ้าของผู้เลี้ยงเมื่อ น, นั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ กิเลสนี่ก็เวลามันไม่ได้โอกาสมันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็นอนนิ่งอยู่ในใจนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีกิเลสนี่น่ะทั้นพอมันได้เหตุผลเบียงพอก็แล้วมันก็ลุกขึ้นมันก็เผาจิตให้เดือดร้อนอดังนั้นคนเราอ่ะ มันจึงดิ้นไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ตามเพราะว่าความอยากในหัวใจเนะี่ยมันมากมายไม่สามารถที่จะยับยั้งได้จึงได้ดิ้นรนแสวงหาไป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 รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจในโลกนี้แล้ว่็จิตของท่านไม่เที่ยวไปแสวงหาเทตนั้นถึงไม่มีทุกข์อันผู้มีทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะจิตนี่แหละมันเที่ยวแสวงหาวัตถุดังกล่าวเมื่อนั้นน่ะ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 มันก็ลืมศีลลืมธรรมลืมสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเรียก ว, ว่ามันไปห่วงตั้งแต่ซับภายนอกไม่ห่วงซับภายในคือบุญกุศลหรือสติปัญญาอันจะพาให้เอาตัวรอดไปจากทุกขภายในวตาสงสารนี่ไม่สนใจ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 การกระทาที่มันจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้นั้นก็คิดพิจารณาในตอนตอน้นตามพุทธวั ญ, ญัติที่ห้ามไว้ก็เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติตามแช่ก็ถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะสร้างบาปขึ้นในตนพิจารณาเห็น คุณแห่งพุทธบัญญัติเจนีก็ไม่ทำไม่พูดไม่ร่วงเกินพุทธบัญญัตินั้นเช่นนี้ละมันก็ทำให้ตัณหาความทยานอยากอันส่วนห ย, ยาบๆนั้นมันระ ง, งับลงเห็นอย่างนั้นตัณหามันมีหลายประเภท่ะตัณหาพาไปสุดนรกอวัยภูมิก็มี ตัณหาพาไปสู่สวรรค์ก็มีตัณหาภลายท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็มี น, นี่ตัณหามันหยาบมันละเอียดกว่าการเวนขั้นขั้นขึ้ น, นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันต้องพิจารณาดูในจิตของตัวเองว่ามันสะสมตัณหาประเภทไหน ไว้ภายในจิตใจนี่ก็ให้รู้เมื่อไม่รู้มันจะละมันได้ยังไงอ่ะถึงแม่รู้แล้วถ้าไม่เห็นโทษของมันมันก็ไม่ยอมละอมันเป็นอย่างงั้นทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วทั้งเบื่อนายเพราะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนานาประการเบื่อนายด้วยปัญญา แล้วก็สามารถละตัณหานั่นได้นี่แหละข้อสำคัญนะกิเลสต่างๆตัณหาก็ดีบุคคลจะละได้นั่นเพราะว่าพิจารณาเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของมันแล้วมันก็ในปารถนาที่จะ ยึดถือเอามันไว้เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ไปจับงูเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่างูมีพิษแล้วมันก็สลัดทิ้งไปเลยอะ่ะก็ไม่ยึดถือเอามันไว้แล้วถ้าึืนจับมันไว้นั้นเดี๋ยวมันแหว่งเข้ามาใส่ตัวเอง อ่อยพิษเข้าในร่างกายก็ต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงหรือไม่ใช่แนก็ถึงตายนี่กิเลสตัณหาก็เป็นเช่นนั้นแหละกิเลสตัณหา ย, ยังมีพิษร้ายกว่าพิษงูเพราะมันทำพิษในขามพบขามชาติไปนู่นส่วนพิษงูมันมีแต่เพียง คำพิษให้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองมันยังอย่างสูงสุดก็ตายตายแล้วมันก็แล้วไปมันไม่ตามไปให้เจ็บให้ปวดในโลกหน้านะต่อไปอันกิเลสตัณหานี่ผู้ดใดสร้างขึ้นแล้วไม่ยอมละมันมันติดสอให้ตามไปทุกแห่งทุกผลทุกศาสตร์ทุกภพ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 ในโลกนี้สวยงางเงินทองได้หนามากมายกายกองบางคนเขาจนเรียกว่าเศรษฐีหรือว่าอาเซียอย่างนี้กานเมื่อดับคันบรรลยไปสมบัติอเหล่านั้นก็ตกอยู่ในโลกนี้เอาติดตัวไปก็ไม่ได้เลยถ้าเศรษฐีนั่นหากไม่พึกค้คนจิตใจไม่ควบคุมจิตใจไว้ ตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเช่นเป็นหนูบ้างเป็นตุ๊กแกบ้างอะไรมาเนี่ยเฝ้าสมบัติอันนี้อยู่นี่แหละเพราะจิตใจมันหวงเช่นนั้นลหละคนเราจะไปชอบเกิดเป็นหนูเป็นตุ๊กแกไม่ใช่เป็นของดีอะ่ะ การเกิดเช่นนั้นน่ะมีตะกองทุกข์ใจของคนเราเนี่ยมันตกต่ำไปด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยนั่วพอเป็นความจริงทีเดียวพูดได้พิสูจน์ตัวเองได้พวนั้นก็รู้แหละรู้ว่าตนนั้นน่ะตกเป็นท่าของตัณหาแล้วมันมีความสุขอย่างไรบ้างมันรู้เองนะตรงนั้นน่ะ อถ้าอย่างนั้นก็จะให้มีแต่คนลาตรหาหมดหรือจะไม่ให้มีคนครองเรือนบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีผู้ถามมาอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่เช่นนั้นก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละตัะหหา น, นี่มันมีหลายขั้นตอน เช่นเมื่อบุคคลละตัณหาประเภทที่จะนำให้ทำบาปมีฆ่าสาัตว์เป็นต้นนั่นแะเมื่อละได้แล้วอย่างนี้ก็ยังบริโภคกามอยู่นั่นแหละยังครองเรือนอยู่นั่นแหละแต่ไม่ทำบาปเท่านั้นเองอมีลูกมีหลานอยู่นั่นแห ล, ละหาเงินทองเก้าของอะไรก็หาโดยทางสุจริตอ่า เมื่อได้มาแล้วก็กินบ้างทานบ้างสงเคราะห์ญาติบ้างทําบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปบ้างเสียภาษีอากรให้แก่หลวงบ้างเมื่อเมื่อมีเงินมีทอง ม, มาแล้วเรารู้จักใช้รู้จักใจ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะมันก็ดีสิเป็นประโยชน์ไม่ได้ทุกข์ใจหลาย ถ้าบุววคคลมีเงินทองมาแล้าหวงไวอันที่ใช้ใจ่ายกลัวมันจะหมดจะสิ้นไปเลยมีแต่หวงแต่ห่วงอ ย, อย่างนั้นไะอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีโทษมีทุกข์ซ้ําเป็นไอะไรพอหวงไว้อย่างนั้นแล้วเงินทองเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแก่ตนเองแลกผู้อื่น อันนี้พูดถึงปัญหาความอยากอุปทานความยึดถือของคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละมันาะ พ, พระพธเจ้ายัางสว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เป็นความจริงเดี๋ยวบุคคลมาใช้ปัญญาค้นคว้าดูอย่างนี้แล้วมันก็ย่อมเห็นได้แท้แท้แล้ ผู้ดใดพี่นะเห็นได้อย่างนี้เอผู้นั้นก็ไม่สะสมตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจละความอยากอันนี้ให้มันน้อยบาวางลงว่ามันไม่ละไม่ขาดจริงๆก็ให้ละตัณหาประเภทที่มันได้ไปทำบาปมีฆาสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั่นนะให้ละตัณหาประเภทนั้นให้ได้แล้วก็นับว่า เราก็พ้นทุกไปได้ขั้นหนึ่งทุกนในขั้นต้นนะทุกที่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วบาป ก, กรรมนะั้นมันจะนาไปสู่นรกอมัยภูมินะั่นยทุกข์ขั้นยหยาบๆนั่ น, นะนนะถ้าเราละตัณหาประเภทนั้นได้แล้วก็มันก็เป็นสุขขึ้นมามากมายถึงแม้จะมีทุกข์มันก็ทุ ก, กไม่มาก ทุกจะเพียงเที่ยวเกิดเที่ยวตายเท่านี้แหละแต่ว่าเกิดก็เกิดดีอย่างเช่นบุคคลผู้ละบาปเสียแล้วอย่างนี้นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ะพิตผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุ ร, ราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างนี้ ก็เป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆในโลกนี้ในชีวิตนี้เมื่อชำระตนในบริสุทธิ์จากบาปในชีวิตนี้แล้วตนเองก็รู้ตัวเองว่าตนเองไม่ไปสู่ทุกติก็ได้ความอุ่นใจแม้จะมีร่างกายสังขาร น, นี่มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนมีโรคภัยเวียดเวียนมีการชำรุดทุดโทรมลงไป มันก็ไม่เป็นทุกข์เกือดร้อนน่ะใจอันเนี้ยเพราะว่ามันได้บุญได้คุณเป็นอิพึ่งคนเราเมื่อละตัญหาประเภทยามๆนั้นได้แล้วมันก็ทำบุญกุศลได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เต็มที่เลยสมควรสละทรัพย์สมบัติออกไปก็สละออกไปสมควรใช้กำลังกาย อทำกิจส่วนรวมก็ทำลงไปสมควรได้ใช้วาจาชักจูงผู้อื่นให้ทำความดีร่วมกันอย่างนี้ก็ก็ใช้วาจาอันนั้นไปนี่เมื่อเราเว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั่นแล้วเอลงมือทำอะไรไปมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เช่นนั้นก็ได้ความอุ่นใจในวันนี้นะใจไม่หนาวแล้วอุ่นอยู่ได้บุญด้วยคนณนี่ทุกคนในสร้างที่พึ่งอันอบอุ่นขึ้นในจิตใจของตนให้ได้อย่าได้ลืมตัวเองเมื่อลืมตัวเองแล้วก็อ่านตัวเองไม่ออกเลยว่าตนเองอันหนาว เพราะอะไรมันถึงหนาวใจมันอยากจะได้ความอบอุ่นใจอยู่เรื่อยไป น, นี้นั่นสแสดงว่าตัณหาแรมทำให้ใจหนาวแล้นั้นเราก็หาผ้าคือบุญกุศลคุณพระรัตนกลายนี่แหละมาหมจิตถมใจอันนี้ให้มันอบอุ่นเข้าไปเอาปัญญาเข้ามา ก็เมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันย่อมรู้แจ้งในเหตุปัจจัยของชีวิตในตามเป็นจริงก็เมื่อมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอจะไปเดือดร้อนกับมันทําไมอ่ะมันทนมันเป็นทุกข์ทนได้ยากก็รู้ตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ทนได้ยากก็เพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันมันหมุนเวียนกันอย่างแย่ ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเลเราบังคับมันไม่ได้มันถึงเป็นทุกข์ะถ้าบังคับมันได้มันก็จะเป็นทุกข์อะไรแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการที่เราปฏิบัติธรรมเนะี่ย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 เมื่อความอยากมันท่วมท้นหัวใจออกมาเขาไปมันก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้จิตใจก็วุ่นวายเดือดร้อนเนหะมือนอย่างร่างกายขอยงคนเราเนี่ยเมื่อโรคภัยมันเบียดเบียนเข้ามาบีบคั้นเข้ามามันก็กวนกรวายบางรายก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเจ็บปวดทุกขเวทนาหลายรือว่าหนาวร้ า, ายร้อนร้ายอย่างนี้นะ นี่เรียกว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทุยากของร่างกายฉั้นใดอันจิตใจนี้ถ้าปล่อยให้ตัณหาอาวิชชาครอบงำอย่างว่านั้นมันก็หาความสงบไม่ได้เลยเด้นลนกระเสือกกระสนอยากได้อะไรต่ออะไรตามที่มันมองเห็นว่าควรจะได้นั่นแหละ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 ดังนั้นถึงได้ลงมือทำบาปทำกรรมแล้วพะมีอวิชชาก็ไม่รู้ครอบงำจิตใจจึงไม่เห็นทางออกจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นดังนั้นองค์สมเด็จพระูุยภาคก้าจึงได้ทรงแนะ น, นำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ยินดีในการสดับตรับฟังเมื่อฟังบ่อยๆเข้าเหตุผลเรื่อง บาปเรื่องบุญคุณโทษเหล่านี้มันก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจทำให้ใจเบิกวานผ่องแผ้วทำให้ใจเบื่อหน่ายต่อกิเลสต่อบาปทำทั้งหลายเหล่านั้นปารถนาที่จะละมันไม่ปาทนาจะเลี้ยงมันไว้ดังพระบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้า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 เนื้อแท้ของร่างกายนี้นะแตกต่างตั้งแต่ลักษณะของรูปร่างผิวพรรณอันบุญของพระ อ, องค์มากมายกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายหากมาตกแต่งให้มีบุคลิกลักษณะพร้อมมูลบริบูรณ์มีลวดลายอยู่ฝาพระบาทยูฝาพระหัตหมูนเนี่ยนะ คนธรรมดาสามัญไม่มีนั่นแหละดังนั้นน่ะคอยพากันคิดให้ดีไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญน่ะมีจริงๆนะการให้คนเราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะ่ะก็เพราะกิเลสบาปประทับนี่แหละอย่าให้โทษอย่างอื่นเลยก็อย่างที่ พูดมาแล้ ว, ลวนั่นเอเมื่อคนรนู้อำนาจแก่ตธหาปล่อยให้ตธหามันเป็นนายหัวใจธนามันก็บังคับไม่ไปแสวงหาเงินทองเก้าของไม่หยุดไม่ยัง้งอบางคนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทํางานเกินขอบเขตเกินเวลาเกินกว่ากำลังเขาตัวเองอย่างนี้แล้วร่างกายนี่มันก็ทนไม่ไหวก็สุดโทมลงไป เขาเรียกว่าป่วยเย็นน่ะนะจะตายก็ไม่ตายมันจะหายก็ไม่หายเพราะมันเสียเส้นอย่างนี้ก็ซักซักซอยซอยู่นั้นแล้วทําการงานอะไรก็ไม่ได้แล้ววันนียต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่แนละ้วนี่มีนะ่ะมีจริงๆนะบางคนมนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันตกเป็นธ า, นาตุแห่งตระหนาไม่รู้จักประมาณในการทําการทํางาน ไม่ฉลาดพักค่อนเอาแต่อยากได้เป็นประมาณอันนี้มันก็เห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละที่ว่าตัณหามันเป็นเนี่ได้เกิดทุกข์นะเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยลองพิสูจน์ดูว่าถ้าเานเองม่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูคนอื่นคนที่ตกเป็นท่าของตณะนะัณหาน่ะมันเป็นทุกข์อย่างไรบ้าง นี่เราต้องสังเกตดูด้วยตนเองเนี่ยคนเราอะบุคคลที่ไม่รู้อํานาจแกกิเลสตัณหาผู้ครองเรือนอยู่มันก็ทําได้กตัหาอันใดที่จะพายไปทําบาปทํากรรมมันชั่วร้ายนี่ยละตัณหาอันนั้นให้ได้อย่างนี้เรามันก็นวัถานดีน ะ, ะเมื่อละตัณหาอันนั้นที่จะพายไปทําบาปได้นะ มันก็ยังมีความสุขอยู่มากม า, กายกายกองเลยถึงแม้จะยังไม่บรรลุพระนิพพานละโลกนี้ไปแล้วก็มีสวรรค์เป็นที่ไปเพราะพวกเทวดาที่เกิดอยู่บนสวรรค์ตัณหาไม่มากเหมือนมนุษย์เราอะ่ะเพื่อนตัณหาเพื่อนน้อยลงเพื่อนละตัณหาอันหยาบคลายทิพายทําบาปในโลกนี้ได้แล้วมันถึงได้ไปเกิดอยู่สวรรค์ คนเราให้เข้าใจขยังละบาปห้าประการนั้นยังไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้ขอย้ำอีกเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดแต่ความสุขอันตันหามันแต่งให้นี้เท่านี้เลยตันหามันหลอกล่อให้คนติดอยู่ในทุกข มันต้องรู้อย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีเมื่อบุคคลมาละตัญหาประเภทที่ให้ไปทำบาปนั้นได้แล้วอย่างนี้มันก็มองเพียรพยายามละตัญหาอย่างกลางให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ ผู้ใดละตนะหนอย่างงาบได้แล้วนั่นส่วนมากก็มาเป็นนักบวชเนี่ยมาบวชกันไอ้ผู้พูดอยู่นี่มันก็พิจารณาเห็นบาปกมนี่แหละส่วนหนึ่งผักดันให้ออกบวชคิดว่าถ้าขืนอยู่ครองเรือนไปเนี่ยมันจะทำบาป อย่างนี้นะแล้วเราไม่ต้องการจะทำบาป น, น, น, นี่เขาจะทำไปทำไมอายุของคนไม่ถึงร้อยปีซ้ำเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วเพราะบาป ก, กรรมแั้มันนำไปสู่นรกนี่เคยคิดเหมือนกันเนี่ยท่กอนตอนบวชมาปีที่แรกก็คิดมันอยากสึกนะเอาถ้าสึกไปแล้วก็ไปทำมาหาเรียงชีลมีครอบครัวตัวเรือนเข้าไป ไอ้คนอย่างชาวนาชาวสวนอย่างเรานะมันไม่พ้นจากการฆ่าตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวมองเห็นได้ชัดชัดอยู่นะมันต้องไปทําบาปแน่นอนอนะ เ, เมื่อทําบาปกรรมไปแล้วม้านี้ไอร่างกายมันไม่ได้เสวยพ้นนะ่ะมันหมดบุญเก่ากรรมเก่าแล้วมันก็แตกดับทํำลายลง แต่ จ, จิตดวงนี้สิบาปกรรมมันแต่งร่างสัตว์นรกให้อาศัยหรือถ้าบาปไม่มากถึงขนานมันก็ไปแต่งร่างของเปรตสิให้อาศัยมันนี่ก็ทนทุกทรมานอยู่ในนรกในเปรตวิสัยนั่นแหละนานแสนนานนะในเรื่องอย่างนี้นะ ถ้าเราไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ค่อยเชื่อแับคนนะผู้ใด ไ, ไม่เชื่อก็อแล้วฝ่ายไม่มีใครว่าอะไรแต่ผู้พูดอยู่นี่เชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นตะ์เชื่อมั่นว่านรกมีจริงนะนะบุคคลทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นถ้าไม่เลิกละนะ พอใจทาอยู่นั้นไปจนตลอดชีวิตอ่ะมีนรกเป็นที่ไปแน่นอนเลยทีเดียวเว้นเสียแต่ผู้ใดรู้ตัวแล้วแมจรู้ตัวในในระหว่างวัยกลางคนหรือวัยแก่อย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะละบาปเหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะค้นจกความเหล่านั้นได้อยู่ บาปเหล่านั้นจะไม่พาไปสู่นรกได้เพราะฆ่าสัตว์อย่างนี้จะถ้าไมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ ม, มันก็มันก็สามารถละได้มันจะไม่พาไปสู่อเวจีมหานรกโทษของการฆ่าสัตว์ธรรมดาไม่ใช่สัตว์ผู้มีพระคุณอย่างที่ว่านั่น เช่นนี้นะผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์ตรัสจริงมีจริงอย่างเนี้ยผู้นั้นมันก็เว้นบาปได้เท่านั้นเองนะอืมถ้าผู้ใดยังมีความเห็นแตกต่างจากคําสอนของพระพุทธเจ้าในออกไปแล้วมันก็ลาบาปไม่ได้จริงๆเนะี่ยอืมถ้าเห็นลงไปว่า อนรกษ์น่ะมันเป็นแต่พูดมาคู่กันให้ไม่ให้เบียดเบียนกันในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นแหละอนารักษ์ในโลก น, นั้นไม่มีหรอกนี่นะถ้าหากว่าบุคคลมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วแน่นอนแหละละบาปไม่ได้ต้องทําบาปไปเรื่อยๆ เ, เพราะมันมันรู้ว่าการกระทําความชั่วอย่างนี้มันไม่มีผล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 ปัญญามีอยู่แต่ปัญญาผีหลีกเลี่ยงจากหนทางไปสู่สวรรค์นิพพานแต่ดำเนินไปสู่นรกอบายภูมินั่นเขาเขาว่าเขามีปัญญาเรื่องมันนะแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมองเห็นว่าคนผู้ใดละบาปไม่ได้คนผู้นั้นไม่มีปัญญา แม้ว่าจะมีทรัพย์ภายนอกมากมายกายกองเท่าไรมันก็เอาตัวรอดจากบาปจากโทษไม่ได้เมื่อลาโลกนี้ไปแล้วมันก็ไปสวยทุกอยู่ในโลกหน้าต่อไปเช่นนั้นแล้วจะถือว่ามีปัญญาอย่างไรแล้วอย่าคิดดูให้ดีคนเราอะพระพุทธเจ้านะสร้างบารมีมา สร้างสี่อสงไขยปลายแสนมาหากับชาตินี่นะเะว่านานปนันเณรบุญบารมีของพระองค์ที่สร้างมานั้นเรียกว่ามากกว่าคนธรรมดาสามัญนะไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่รู้จักคนทางศัตรูโดยพระองค์เองเลย เรามาเชื่อพระปัญญาตััสรู้ของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาเนี่ยโดยเหตุผลแล้วอ่ะเหตุที่พระองค์จะรู้แจ้งทั้งโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงรู้แจ้งถึงปณิพาน์าได้ก็เพราะบุญสรุปลงแล้วนะพระองค์สร้างบุญมามากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ค้นคว้าหาทางปณิพาน์รู้แจกก่อนคนอื่นทั้งหมด ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยบางคนก็อาจไม่เชื่อเลยก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าสร้างบุญบา ร, รมีมานานแสนนานทีท่าว่าไม่ใช่ปัญญาแล้วมันยากที่มันจะเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ต้อง ใ, ใช้ปัญญานะเอใช้ปัญญาใคร้ครวนพิจารณาเหตุผลด้วยตนเองให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาด้วยตนเองมันถึงจะเชื่อมั่นในใจสําหรับผู้พูดอยู่นี้มีความเชื่อเพราะปัญญาตัตรูของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนเลยไม่สงสัยลังเลเลยเหตุที่จะ ออกบวชมาแล้วไม่ศึกไปจนเฒ่าจนแก่ก็เพราะกลัวทุกข์ภายในนรกอบายภูมินี่แหละเป็นบงเบื้องต้นนะต่อมาก็กลัวต่อความเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่รู้จะจบจากสิ้นนี่มันถึงไปปรารถนาที่จะไปตกเป็นทาสของ ตัณหาอุปาทานเหล่านั้นเลยเพราะว่าอุปาทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยบังเกิดพบพบเป็นปัจจัยเบื้องเกิดชาติมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นชาติก็เป็นปัจจัยเบื้องเกิดชรามรณะโสกกะปริเทวทุกตัวมนั์อุปาญาติเนี่ยอย่างคนเราเกิดมาในโลกนี้เยในชาตินี้ ถ้าบุคคลใดไม่มารู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วก็ถูกความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันต่างๆครอบงำจิตใจอยู่นั้นบางคนเกิดโมโหโทโซอย่างร้ายแรงผู้ชายไปฆ่าเมียตัวเองตายลงไปแล้วกะจึงนึกได้วันนี้ท้เมียเราหนอ แม้เขาทำผิดเพียงเท่านั้นหนึ่งแต่ก่อนเขาก็ทำดีมาเราก็ไม่ให้ใหอภัยเขาเราไปฆ่าเขาตายเสียแล้วไม่หนีแล้ววันนี้นั่งร้องไห้เฝ้าศบเมียอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาเขามาจับใส่กระแจมืออไปเข้ากงขัง้นจังเลรู้สึกสำนึกตัว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 แต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่มีอิสระเสรีเขาก็ต้องบังคับอยู่อย่างนั้นแหละจะไปไหนตามใจชอบไม่ได้เลยคนผู้มีปัญญาเขายังไม่ปรารถนาไปเข้าคุกเพราะไม่มีอิสระเสรีอะไรเขาบังคับให้ทาอะไรจรึงได้ทําเขาไม่ให้ทําอย่างไรทําไม่ได้ <c oughs> อันนี้มันก็ยังพอทำเนาหรอกทุกในการติดคุกติดตารางนี่นะในโลกนี้นะนเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนั้นสิบาปกรรมไม่ใช่ว่ามันหมดพอไปติดตารางในโลกนี้นะมันไม่หมดหรอกอันนั้นมันหมดโทษจากกฎหมายบ้านเมืองเขาตัดสินลงโทษเอฉยๆแต่าบาปกรรมที่บุคคลผู้ น, นั้นทำนะ่ะ มันยังติดตามไปอยู่ยังฉุดคราาไปสู่นรกอบายภูมได้นี่มันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องตัญหานี่มันไม่ใช่ว่าคงที่อยู่ได้นะความรักนี่น ะ, ะเมื่อเวลาความรักมันยังแน่นหนาอยู่นั้นเฮ้ยทนุถนอมกูไดมีเมีย ม, มีผัวเข้ามาแล้วกว็ดี ธนุทันนอมกันเป็นอย่างนี้ไม่ทำอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจแล้ว ม, มาทีนี้เมื่อไปๆมีเรื่องขัดข้องมองใจกันเขา้าไม่ลงรอยกันได้วันนี้เอาแล้วรังเกียดสุดขีดอะไรวันนี้เบือ่อไอ้เคยรักกรรมต่ก่อนาหายไปความโกรธ เกิดขึ้นมาแทนแล้วเมื่อระงับความกลัวไม่ได้ ม, มันก็กลายเป็นโทรสะพยาบาทไปก็ลงมือประหัตประหารกันดังกล่าวมานั่นเนี่ยนี่นะโทษแห่งตัณหานี่มันพาไปสู่นรกอบายภูมิได้จริงๆเลยฉันเปน็นยางไน นรกของมนุษย์ก็ได้แก่คุกตารานั่นแหละหลังจากตายละโลกนี้ไปแล้วก็ไปตกนรกในเมืองผีใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามแต่กฎธรรมดามันยังมีอยู่อย่างนั้นโดยเหตุผลแล้วนะ มันมีเพราะว่าบุคคลใดทำเหตุอย่างไรพลนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็บุคคลมาเบียดเบียนชีวิตของอื่นได้เป็นทุกข์นี่ถึงให้เราไม่ตายอย่างนี้นะแต่วันนี้กรรมนั้นมันไม่สนน้องในปัจจุบันนี่นะคนมันถึงไม่ก ล, ลัวนะั่นแห้ะถตาตอนไปฆ่าเขาตายเขาอะไรอย่างนี้ มันมีคนอื่นมาฆ่าให้ตัวเองตายลงไปอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกรลยไปนี่มันก็จะกลัวกันแหละแต่อันนี้มันก็เป็นบางรายเฉยๆส่วนมากมันก็ไม่ถูกฆ่าตายหรอกเป็นการตอบแทนกันคนผู้ฆ่าผู้อื่นนี่นะนั่นก็อย่างหนึ่งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละ หนีการจับกุมต่อสู้เจ้าหน้าที่เข้าไปเขาก็ยิงตายถ้าเขาจับไม่ได้ได้ไม่ทันก็ยังมีชีวิตยอยู่อันนี้มนุษย์เรามันมันหลวมใจเพราะเหตุ น, นี้แหละเวลาทำกรรมชั่วลงไปอย่างนั้นแล้วกรรมชั่วมันไม่ให้ผลปัจจุบันเราเลยไม่กลัวอะไร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 เมื่อเมื่อเห็นโทษอย่างแน่ๆในใจองนีนอธิษฐานใจละเว้นไม่ทำมันต่อไปอีกจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่อนันตริยกรรมเนี่ยมันก็สามารถละได้บุคคลผู้ละความชั่วเฉะนั้นเสร็จแล้วก็ทำความดีให้สูงขึ้นไปภาวนาเข้าไปไม่ใช่ว่าไปละแล้ว ละกามชั่วเหล่านั้นแล้วไม่ภาวนาไม่อบรมจิตใจตัวเองอย่างนี้เราไม่ได้มันลาะไม่ได้แร้วสักหน่อยมันก็บุกไปทําชั่วนั้นอีกเพราะว่าไม่ละกิเลสอันเป็นเหตุให้ทําบาปนั่นนะเมื่อเหตุมันยังมีอยู่อย่างเนี้มันจะไม่ให้ได้ทําบาปทําชั่วไม่มีอผู้ดใดจะเว้นจากบาปนั่นได้ ก็พอละเหตุแห่งบาปออกจากจิตใจละความโกรธนั่นแหละพูดจริงๆนะนะละความพยาบาทความจองเวรอย่าให้มีอยู่ในใจเลยยอมสละลงไปให้เขาเบียดเบียนตนผ่ายเดียวเถอตนยอมให้เขาเบียดเบียนไม่ไม่ถือว่าเสียเกียรติยศชื่อเสียงอะไรน่ะ เพราะเราไม่ต้องการเวนผูกพันกันไปในภพในชาติก็ขอจะให้มันติดสอยห้อยตามไปเลยกรรมเวณต่างๆที่ทำต่อกันในโลกนี้ขอให้แล้วแก่ ก, กันไปเลยแล้วต่อไปเราจะไม่ทำแล้วไม่เบียดเบียนใครอธิษฐานใจอย่างนี้เสมอๆ เ, เวลาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแม้ข้าสัตร์สิ่งที่รด้ฉานมูนั้น ก็ตามเนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้หมายเอาแต่ฆ่ามนุษย์หรอกฆ่าสัตร์เลี้ยฉันมุนีถ้าเราภาวนาอธิษฐานใจแล้วเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปแล้วจนตลอดชีวิตแหละวะันด้วยอำนาจแห่งความสัตว์ความจริงกันนี่ขอให้บาปกรรมนั้นจุงลดน้อยถอยเบาวางออกไปจากขิตใจกับประจ้า ถ้าผูใ้ใดมันอธิษฐานอย่างนี้ได้เลยบาปกรรมที่ทำมาเลานั้นเป็นลาหู ก, กรรมนะกรรมเบาอ่ะมันก็ค่อยเบ า, บาไปเบาไปหมดไปฮะถ้าเราภาวนาเข้มแข็งก็ไปจริงๆบาปกรรมนั้นตามไม่ทนันนะเป็นอาโหสีกรรมไปหมดเลยในการลาบบาปไม่ใช่ไปลาบแต่ทางกายทางวาจายอย่างเดียวนะต้องลาทางใจด้วยมันถึงจะพ้น เพียงแต่ว่าสมทานศิลไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พวชผิดในกาไม่กาวมุสาวาทไม่ดื่มสุลามีไรเท่านี้แล้วแต่จิตใจนนไม่ละบาปไม่อธิษฐานใจละคมชั่วจนไม่ทำคมชั่วแต่เห็นผู้อื่นทำบดีใจกับเขาอย่างนี้นะนั่นเชื่อว่าเชื้อของบาปมันยังไม่หมดเลย หรือไม่ใช่เรื่องโมโหโทโสอะไรก็ยังมีอยู่เนี่ยแต่ไม่กล้าที่จะไปทุกไปตีไปฆ่าผู้อื่นได้จริงหยกแต่ความโกรธมันยังมีอยู่ในหัวใจอย่างนี้สแสดงว่าเชื้อของบาปมันยังมีอยู่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อเมื่อบุคคลไม่ละไม่เพียนไม่ยามภาวนาทําใจสงบระ ง, งับจเจริญปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ถ้าไปพอกคูณกิเลสตัวนี้ให้หนาขึ้นแล้วมันก็กลับไปทําบาปของเก่านั้นอีกแหละดังที่คนบางคนน่ะเคยเป็นมาเห็นมาแหละละบาปเหล่านั้นได้มาแล้วแต่เมื่อตนขั้นต่อมาแล้วไปคบคนชั่วเข้าไปไปดื่มเหล้าเมาสุราอะไรตัวอะไรเข้าไปแล้วก็เมื่อเมื่อมันละบาป อย่างหนึ่งได้แล้วมันก็ละได้หลายอย่างอเออมันเมื่อมันทำบาปอย่างหนึ่งได้แล้วมันก็ทำบาปอย่างอื่นต่อไปได้หมดนั่นแหละอ่มันเป็นอย่างงั้นเช่นอย่างบุคคลเดิมเล่ามาสุราได้แล้วอย่างนี้นะอันมันจะไม่ให้ทำบาปสี่อย่างนั้นไม่มีมันทำได้เมื่อได้โอกาสเมื่อไดมันทำได้เลยอ่มันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นผู้ใดรักตัวกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วต้องเพียรพยายามละบาปทางจิตใจต้องภาวนาอย่าเพียงไปเว้นบาปแต่ทางกายกับวาจาเท่านั้นต้องเว้นทางจิตใจให้เด็ดขาดลงไป การที่จะเว้นดางใจได้ก็พอมีภาวนาน้อมสติเข้าไปะระลึกเข้าไปหาดวงจิตนูน่นสติแปลว่าความะระลึกได้นี่นะส่วนมากคนะระลึกไปตั้งแต่ภายนอกนูน่นมันไม่ะระลึกเข้ามาภายใน จ, ใจิตใจระลึกไปหาแต่สิ่งที่ตนต้องการปรารถนา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 ทีนี้ผู้ใดมีปัญญาได้สดับตรับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วกระชิงมาพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาเหล่านี้ว่ามันจะพาไปสู่นรกอาภัย ภ, ย ภ, ย ภ, ยภยูมิจริงๆทีเดียวเห็นโดยปัญญาของตอนเองแล้วมันก็ละบาปทั้งห้าอย่างนั้นได้จริงๆนี่แหละไม่มีไม่มีใครบังคับให้ละตนเองละมันมันได้เลย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 เมื่อผู้มีปัญญามองเห็นเนียว่าโอ้ความโกรธนี่มันเป็นไฟเป็นของร้อนจริงๆมันทำให้จิตเป็นทุกข์เราร้อนอย่างนี้อย่างนี้เออนี่แเราไปในนรกอ่น <c oughs> ก็เมื่อมันเห็นโทษเองความโกรธในปัจจุบันนี้แล้วว่าแน่นอนเนี่ยความโกรธนี้ถ้าไม่ละมันแล้วมันจะพาไปนรกจริงๆนรกพระพุทธเจ้าทรงบรรยายไว้ว่าเป็นหม้อน้ําร้อน ออืลุกเป็นเปลวสัตว์นรกตกลงไปแล้วนะถูกน้ําร้อนลวกไปเผาเปอยละลายไปกรรมไม่สิ้นมาเกิดขึ้นมาอีกเอาไปน้ําร้อนลวกอีกไฟเผาก็ไปอีกกรรมยังไม่หมดก็กลับเกิดขึ้นมาอีกออยู่อย่างนั้นนะ่ะนี่แหละอันมันมันนรกมันไปจากหัวใจนี่ อันที่มันจะไปตกนรกน้ำร้อนลวกไฟเผาให้เล่าร้อนอยู่อยู่ในนรกนั่นนะเพราะมันสร้างนรกขึ้นในใจนี่เผาจิตใจให้เดือดร้อนอยู่นั่นนะเนี่ถ้าบุคคลเห็นว่าจิตใจที่มีกิเลสหุ้มห่ออยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนเนี่ยคาว่า น, นารกนรกะแปลว่าร้อนไม่มีระหว่าง นรกนี่นะแปลว่าความร้อนไม่มีระหว่างท่านจึงได้นามว่านารกหรือนรกกะหรือว่านารกนั้นมีแต่ความเสื่อมความเจริญไม่มีเลยนี่อย่างหนึ่งคำว่านารกนั้น ดังนั้นผู้ใดไปตกนรกจึงว่าไม่มีความเจริญเลยมีแต่ความเสื่อมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกตรพิจารามันเห็นนรกอยู่ในหัวใจของตนนี้สวรรค์ก็ สร้างขึ้นในหัวใจนี่ก่อนทำาไมสร้างขึ้นในนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจแล้วก็โลกหน้าก็ไม่มีเหมือนกันนะเบงันพระนิพพานก็มีอยู่ในหัวใจนี่เองนะอยู่ในจิตเอเมื่อลักกิเลสหมดสิ้นไปแล้วจิตตรงนี้ก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองก็ไม่ต้องเล่ร่อนไปหาที่เกิดใหม่อีกต่อไปมันก็ดับทุก เมื่อคนเราหากว่าไม่เกิดอีกซะแล้วก็เป็นอนั้นว่าหมดทุกข์กันเท่านั้นเองดังแสดงมา